ต่อเรื่องการศึกษาเพื่อ 9 มิถุนายน 2543 ที่นี้ อาตมาเช้านี้อาตมาได้เทศฐิ้งเอาไว้ ศึกษาเข้าไปรู้ความอ่าบอก เหมือนสโลก็เหมือนอ่าคืออ่านี่ ว่าคนเราเกิดมาเพื่อถูกหลอกเรานอกจากพูดที่แสวงหาความจริงเพื่อถูก จนพบความจริงนั่นแหละจึง หรือแสวงหาความจริงจะแสวงหาความจริงได้ก็ต้อง เค้าก็เจอความจริงนะเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาๆอยู่ คำโกหกคือความหลอกๆเพราะฉะนั้นคำโกหกคือผู้จะ สัจธรรมอย่างนั้นสัจธรรมอย่างนี้แล้วก็มีวิธีมี ถ้ามันก็เป็นความจริงของวัตถุสัจธรรมที่เกี่ยวไม่เที่ยงแม้มันจะไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรมันๆเที่ยง เสื่อมไปแตกปรวนไปอาจสลาย เขาไปค้นพบ 10 กว่า 5 10 5 10 ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ออกหรือๆมีมี อ่าศึกษาทางโลกก็ไม่หยุดศึกษาหรอกทางผู้ที่อ่า ป่านตารับไปติดจิตจูมันก็ไม่ไม่ไม่อะไรเพราะ ศาสดาหลายศาสนาศาสนาใหญ่ศาสนาอิสลามนานนานนิรันดร์ที จิตวิญญาณนี่ก็นิรันดร์วัตถุก็นิรันดร์แต่ก็แปรปรวนจิต สติวิญญาณเนี่ยมีความรู้สึกมี พีชะจิตตะจิตแล้วก็กรรมจนกระทั่งถึงธรรมะเพราะฉะนั้น จะมีพลังงานวิเศษยิ่งใหญ่ขนาดไหนเลยพลัง ประจารชีวะจะแจกตัวพลังงานออก มีตระกูลเหมือนกันมีสืบเผ่าพันธุ์เหมือนกัน ก็ไม่รู้จักกรรมไม่จิตรู้จักกรรมรู้จิตที่พัฒนาบ้างเล็กๆ เช่นจิตวิญญาณสัตว์เดรัจฉานจิตวิญญาณสัตว์เดรัจฉานไม่คำนึงถึงธรรมะเลยเรา จะมีสัญญามีสังขารสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่มีไม่มีพลังงานในระดับ ฟังอย่าไปมันก็ไม่รู้เรื่อง 108 เลยงั้นแค่ 2 เพราะฉะนั้นสังขารในระดับฐีชะนี่เป็นสังขารอนุปาทินกะสังอนุปะเตนกะ จิตปัญญาณในระดับต่ําๆเท่าไหร่หรอกจน แบคทีเรียเกี่ยวกับไอ้พวกอิเมบาเกี่ยว แต่ว่ามีเจตนามันก็มีแต่เพียงสัญญาที่มัน สังขารปรุงเป็นดอกเป็นใบปรุงเป็นดอกปรุงเป็นลูกปรุงเป็นรูปรสกลิ่น แค่คลายพืชเวทนาความรู้สึกนั้นยังน้อยจนในระดับๆเพราะ รู้จักเจ็บรู้จักปวดรู้จักทุกข์รู้จักสุข ยังดีนะยังกินพืชบ้างไม่ฉะนั้นก็จะเล่นไป ชาตินี้ไม่ได้ไม่มีศึกษาจากอาจารย์ไหนเลยอคาเดมี่หรืออาจจะไม่เล่าเลยจนตาย เพราะมันก็ยังไม่ใช่เรื่องรายละเอียดสําคัญเท่าไหร่เพราะกับ ตินีสัตว์ที่มีเวทนาอย่างเดรัจฉาน ไอ้สัตว์เดรัจฉานจะไม่มีปัญญาเรียนรู้ 500 ชาติ 1,000 ชาติชาติ มีความซับซ้อนลึกซึ้งจนให้ โมลอนท่านอีเดียตเพราะอ่านั้น ชื่อภาษาไทยว่าอะไรอีเดียดเค้าชื่อว่าพวกปัญญาอ่อน อ่าหากินเป็นน่ะเออมันน่ะนะเป็นตลกนะเออนั่นน่ะลักษณะพวกโมรอนแล้วดูรูปร่าง แม้คนในระดับอีเดียดในระดับโมลอนก็ยังเรียนไม่ ตราไว้โดยไม่รู้มาก่อนระเบียบวินัยเลยถ้าแม้ว่ารู้มา แต่โลกสังคมทุกวันนี้พวกที่ไม่เคยศึกษาจิต ถ้าจะมาทํารุมรามในนี้ เพราะฉะนั้นพวกกระเทยเนี่ยระดับวิฐานนี้อภานะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ก็ คือผู้ปราชิก 1 ชาติ 1 ก่อน ไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่ศาสนามันเสื่อมออมมากๆถึงๆพวก <C oughs> การศึกษา 니스 ศึกษาเพื่อไปหาปัจจธรรมจะได้ไม่ถูกหลอกอ่าทีนี่นะ ศาสนาพุทธสนับสนุนหรือยอมรับเพราะ ธรรมชาติของโลกทุกวันนี้ร่อยหรอถูกมนุษย์ปู่ยี้ เมฆๆเนี่ยลึก เอาไปนอกโลกจะไปสอยดาวมาอ่าอเมริกาไปถึงดวงจันทร์ปักธง พวกอเมริกันเออมันจองกันไปไม่รู้เค้าโง่หรือเค้าฉลาดเอาเราก็ไม่รู้ให้ ไม่รู้มันอ่าแล้วมันก็ยังอยู่ไม่ได้อุปภูมมันไม่อ่ามี อ่ามีน้ำมีดินมีลมมีไฟมีมาก ดีเช่นได้ได้ฐานมันเลี้ยงลูกไงมันหวงแหน ตัวเฒ่าหรือเดวเร็วฝ่ามันเร็วกว่าเดรัจฉานได้อย่างมัน เออคนสัตว์เดรัจฉานมันจะฆ่าคนหรือมันจะฆ่าสัตว์ แต่ตามล่าตามพลายกันอยู่ต้องโอ้โห อย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์นี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์เพราะ อย่าไปหวังเพราะว่ามันน้อยรายมันมีบางรายเท่านั้นน้อยรายมันไม่ ให้ฆ่าให้ค่าค่าไม่ลงนี่ฆ่าไม่ได้ definition โดยเฉพาะผู้จะปฏิบัติธรรมในขั้น แล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนจนละ สติปัฏชีญลักษณ์หรือมรรค 8 โพชฌงค์ 7 ก็ตามใจจะพูด 7 8 าย, 4 4 5, 5 7 8 เมื่อรู้วิธีแล้วพวกคุณก็ไปปฏิบัติซึ่งไม่ง่ายอาตมา ตอบไม่ได้นานเท่าไหร่ตอบไม่ได้แต่นานจนกระทั่ง ตัวแต่ตั้งอัตมาอวิชชานั่นแหละมาสอนพวกคุณตีลังกา เอ่อขณะอ่ากายกรรมเปียงยางกระโดดเก่งคุ้นตัว จับก็คุกก็เรื่องของเค้าเข้าคุกก็ยืนหยัดไปยืนหยัดพุทธอยู่ พุทธภามาเป็นอย่างเงี้ยมาจนพุทธภามาจนนะ จนที่มีปัญญามีบูรณาการมีปัญญามีบูรณาการจนอย่างมีความสามารถจนอย่างมีความรู้ เราไม่ไปล่าราบละล่วงของใครเราไม่ มันต้องแล้วก็ขายแพงๆเอาเปรียบมากชั่วชั่วๆๆจริงๆขอยืนยันประกาศองค์ที่ท่านเทศน์ ใครฟังได้ก็ฟังใครฟังไม่ได้จะไปแอบฟัง <c oughs> อ่าบอกมาเลยผิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบอกเหตุผลมาเลยว่าผิด เสร็จแล้วให้คนอื่นก็ไปเกื้อกูลคนอื่นแจกจ่ายคนอื่นถาม อะไรคือทรัพย์อะไรคือทรัพย์ในแต่ปัจจุบันเพราะอนาคต เพราะแต่บอกแล้วกรรมเป็นทรัพย์ใช่แต่บอกและ ยิ่งสละยิ่งเป็นทรัพย์สละยิ่งเป็นทรัพย์เรามีเมื่อมีผลผลิตเรานั่นยิ่งเป็นทรัพย์นั่นคือทรัพย์ของมนุษย์ ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันถ้า ความรู้ที่เป็นประโยชน์คุณ ก็มีความเก่งๆๆวิธีเป็น ก็ถ้าเรียกอะไรอ่ะเป็นบาร์เทนเดอร์นั่นแหละแล้ววิธีทําไอ้ผสมเหล้าอ่ะไอ้ฮะเช็คเอ่อเชคอ่าเชคแล้วก็อะไรอีกมันมีอีก <c oughs> เอาล่ะคิดไม่ออกช่างหัวมัน อาตมายังจําได้จนถึงพิษพิษอ่าใช่ เขาไม่ได้พูดภาษาไทยด้วยกับพูดโอ้โหโอ้โห จัดรายการสาระนิเทศทางอากาศเชิญ กิจการโรงแรมนี่คือการค้าความหรูหราฟู่วันละห้ามืนฟุ้ง ไม่ได้แอบเงินของเราหรอกถ้าให้ ไม่เคยเลยจะเกินนะสมัยก่อนที่อาตมาเคยทําน่ะเคยอยู่ก็เคยพักวันละ มันอะไรกันมันเนี่ยมันบ้าวิชาการอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษาบออย่างงี้ซึ่งคน วิถีการสังคมในโลกนี้แหละศึกษาแบบเนี้ยทําให้ยิ่งจัดจ้านยิ่ง แล้วเค้าหลอกดูเนื้อดูหนังเฮ้ยเหมือนๆแล้ว ของความโง่เง่าเหล่านั้นอ่ะทีนี้ก็มามา น่ะเป็นสำนวนเป็นภาษาสแลงไปละหมาย First Class ชั้น 1 พวก First Class ชั้น อาตมาพวกเรานี้พวก ผมเผ่าก็อย่างงั้นแหละลูบไปมั่งไม่ลูบมั่งเมื่อ 1200 ปี แบบนี้เนี่ยมันตั้งแต่ 1200 ปีมาแล้วเนี่ยยัง ถ้าถ้าเป็นสีจัดเอาแล้วด้วยๆ จนจน มันไม่ใช้อาย...ไม่อาย ดีไม่ดี...เราเกิน ใช่อายไม่อายดีไม่ดีนี่ สาถัยะหรือสถโถจะอวดความจนอวดความ ม.ส. เอาคารมคมคาย เอ่อสู้เราไว้ได้อุ๊ยสะใจภูมิใจนี่แหะนี่ <c oughs> 4 ที่อยู่อาศัยเราก็ไม่ไปหลงไหลได้ปลื้ม แต่มันไม่เราเรามีสบาย ผู้หญิงเฮาโดยเฉพาะผู้ชายนี่อ่าผู้หญิงก็ทํา เราเองเราไม่ได้มีอะไรหรูหราไม่มีอะไรร่ำรวย <c oughs> <c oughs> ระวังกันแล้วกันอ่าถ้าเราไม่ให้ก็ๆกินได้ ไปไหนๆก็โอ้โหหมามันยังไม่ตายเลยมันป่วยมันยัง ไม้นี้กินปัญญาเป็นอาหารเป็นยาๆง่าย ปลอดภัยแล้วมันสังเกต พลังงานที่เราๆๆๆ เขารู้จักเราเราเป็นคนอย่างนี้อีกกลุ่มๆ มันมีพลังงานนามธรรมจากๆ จะอยู่กับเราอย่างไรเราเคยเห็นกับเราค่อยๆอ่อนขึ้นอ่อนขึ้นแม้จะ ย้ำพฤติกรรมกุศลย้ำพฤติกรรมกุศลย้ำพฤติกรรมกุศลย้ำพฤติกรรมกุศลไม่ใช่คนเดียวย้ำมา บ้านที่เค้ามีทรัพย์สมบัติขนาดๆเนี่ยขนาด ซับซ้อนอยู่ในสังคมพลังพลังงานจริงที่มันมีๆแล้วเนี่ยจริงตัวเลว เขาจะมันก็จะอยู่ไปอย่างได้ส่วนผู้ที่เขาไม่เป็นคนๆ ก็คืนก็นอนกันไปตอนเช้าก็มาก็ทํางานผลผลิต มันมีอะไรพิเศษอยู่ในสังคมมนุษย์มีอะไรพิเศษอยู่โดยเฉพาะ จิตวิญญาณที่เป็นปุถุชนเชื่อไหม ทั้งมีปริมาณมากยิ่งขึ้นมากยิ่ง แต่เนี่ยแต่ละคนได้ไปนะได้ อาตมามั่นใจว่าพวกคุณไม่ได้ตอบเล่นโอ้ เพราะฉะนั้นอาตมาไม่กลัวว่าแม้อาตมาจะตายมวล ขณะนี้เรามีจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้าน อ่าเป็นหมู่อ่า 39พมม น, พ37 39 มันไม่น่าเชื่อเลยได้รับจดอ่าได้อ่าตอนนี้ <c oughs> ปฐมไม่คิดอาตมาแล้วอย่าไปดิ้น หมู่บ้านๆกรุงเทพฯมันอีกอย่างนึงมันเป็นเขตเป็นแขวงฮะอะไรนะอะไรเรื่องอะไรเพราะ <c oughs> ได้บอกๆได้อ่าตอนนี้สีมาโสกก็กําลังด้วยอ่าสีมาอ่าสีสานน่ะ กำลังมีผู้ช่วยที่ 3 เพราะฉะนั้นชุมชนดีก็คือดี พัฒนาคนคนขอถามว่าบ้านเมือง 9 2543 เอ้ยการพัฒนาสังคมประเทศชาติ จงพัฒนาโดยเฉพาะต้องพัฒนา 100 ปี รู้กันบ้างไหมกันบ้างไหมคนไม่จบๆ บุกปูยีเนี่ยมันหน้าไม่ตรงเนี้ยแล้วพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไม่ได้แปรเปลี่ยน โง่อย่างนี้โง่ต่อไปลาออกมาจากๆหมู่ ก็เกิดเป็นร้อยสรุป ศึกษาศึกษาให้มีการงานอาชีพอย่างนี้มีนี่ตัวนี้สรุปแล้วราคาแพงจังเลยอย่างนี้ศึกษาให้มีการๆ ต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่าเรากําลังมีการศึกษาแม้ อาตมากลับเห็นว่าปริญญาตรีเนี่ยโอตภัย คือมันไปล่าราบยศสรรเสริญเอาไปเป็น เขาไม่ทําตรงตามที่ว่านี้ เรเรเราก็ไม่ไม่จนแต้มในทางด้วยภาษาอุดรศึกษาอาชามเร เรื่องการเทศช่วงนี้ถึงเรื่อง ต่อสังคมโลกให้เนี่ยอาตมาเองว่าทําไมนะอาตมาคนอย่างอาตมานี่มันฮะ ปริญญาที่มงโง่ฝาคุณไปพูดอย่างนั้นได้ ปฏิยาสักใบนึงนะอาตมาไม่สงสัยส่วนค่อย <c oughs> <c oughs> เราค่อยๆจะเรียบเรียงหรือค่อยๆ ปีนี้ปฐมโศกมีนิสิตอายุมากที่สุด ความรู้เรียนไม่จบไม่มีรีไทร์แต่ถ้านิสัยต่ํา เพราะอะไรจะคุณก็ยื่นขอจบเวลาถ้า 6 ปีเลย 6 ว, บ, 12 10, 13 14ๆ ที่คุณได้ทําไว้ซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ของมันนะ <c oughs> ย่อมใช่ไหมมีสถาบันใดจะเหมือนเสมอ 9 9 วันสมพบสมภพ 72 ฮะอะไรฮะเอ่อวัน 8 9 ก็ถือว่าชื่อทอดวันนี้และถือวันนี้เป็นวันสําคัญบท นะไม่กระทูอยู่ 3 บทต้นมีพร้อม นี่คือกถุ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 โพธิโตเจริญพร้อมเท่า สังคมเราเร่าร้อนแรงนักเพื่อนเอ่ยอาตมาอ่านไม่ รุกใดที่ไหน ตราบสูงส่งไฟแน่แท้ความหวังพันธุ์สูงส่งตราบ เป็นโพธิสัตว์สุดยุคใหม่เราบารมีสืบย่อม พระสามแก้วสีชิโนรสตีแก้วพุทธทะทันชิโนโรสติสรณะโลก นาบุญบุญรักจุนเจตใจจุนหวานกล้าคิดตก คำหยาดแมนจํารูนพุทธธรรม สุเมนุสิ้นสัตตพันธ์แลพ่อเท่าโลกบอ 6 ขันกลับพลันโลก เกษมโสดเทินจรรย์กระเพาะแต่ง 9 มิถุนายน 2543 สุดทราบถึงใจพ่อเปรียบ นาขอตอบแทนคุณฆ่าอีกรอบขอ ท่านนั้นเป็นร่มโพธิ์ ปกร่มทุกวันในรูปเพ็มแข็ง ใจฮ้อ ตามโครงสร้างของกิจศดีศาสนาพุทธที่เป็น แล้วก็สั่งสมลงพอเป็น ถ้าไม่มีสามหลักใจใหญ่ไม่มีๆวิริยะ เป็นเป็นตัวที่สําคัญมากๆๆหลุดๆๆๆๆ เป็นลักษณะรู้ตื่นลักษณะรู้ตื่นอ่ารู้ตื่นแวววายเบิก ที่จะแก้คือเป็นเครื่องเครื่องมือที่จะเป็นตัว นี่ลองฟังตัวที่คู่เคียงกันให้ดับหยุดนะมานำซึ่งมัน แต่พระท่านเอารู้นอกจากรู้ ไม่เอาช่างรีนี้อีกเท่า เอามาใช้ๆนะเพราะถ้าเราปฏิบัติไม่เข้าทฤษฎีโพชฌงค์ 7 ไม่เข้าทฤษฎีพุทธิปักกเยธรรมซะซะ เออเอเนี่ยแปลว่าเอกแปลว่าหนึ่งแปลว่าหลักแรกทั้งนั้นน่ะแต่ว่าทางใหญ่ทางเอกทาง แล้วยังกำกับไว้ว่านะหรือว่าจะปฏิบัติจะเริ่มต้น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้การ แม้แต่ผู้จะจะทนนอนหลับ แม้แต่นอนหลับก็ยังมีงานนะอย่างที่อาตมา บางบัดทีนี้ตัวเอในตอนหลับๆ มีปฏิภาณรู้ว่าโอ้สติมีสําคัญเลยมาเน้น ศึกษาไปศึกษามาก็รู้สึกตัวกว่าตายสตินี่เป็นตัวสําคัญเลย <c oughs> เป็นทุกเนี่ยมันโอ้โหสติโอ้โหงามพันๆความปั๊บได้สติแต่ไม่รู้ เนื้อสร้างตัวสร้างแขนสร้างขาสร้างหัวใจ มโนมยิทธิมโนบวกมยะบวกอิทธิจะมีความเก่งความสามารถในการสร้าง อำรวรู้โดยความสําคัญโดยตัญญาว่าสติ ขณะใดที่เรามีสติสัมปชัญญะดีเนี่ย ถ้าตัดปล่อยโดยไม่มีสติโดยไม่รู้เอาจะดับเอาจะ อะไรฉันไหนโดยจิตอันแยกคายเราจะให้ไม่มีเรามี แยกขายขายถ้ามีการกระทําในใจไว้ พอพอใจคืออะไรแล้วสติก่อนรู้ใจคืออะไรพอใจคืออะไรละสติก่อนใจคืออะไรสติใจคืออะไรสติก่อนฟัง ก็กลายเป็นว่าเห็นต้นไม่เห็นเปลือกเห็นแต่แก่นไม่เห็นเปลือกไม่เห็นเปลือกครบเปลือกสะเก็ด กะพี้แก่นเนี่ยเป็นโครงสร้างของสเก็ต อ่ายอดอ่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เทียบ นะจริงมั้ยเนี่ยไม้ก็อ่านั่นแหละรากยอดสรรเสริญนั่น ของแม่พระคีนาศกของแม่เจ้าพระอรหันต์เพราะอ่า อาติกินเอาภาษามาตีกินแล้วก็ใช้ปฏิภาณของตนเองมัน มันก็ต้องมีทั้งนั้นแหละมันก็มีจารีตประเพณีมัน ไอ้หญิงไม้ใบไม้ยอดอ่อนอะไรทั้งหลาย เสกเป่าลดน้ำมูกน้ำมนต์เค้าก็บอก เดี๋ยวว่าต้องอนุมล้มที่อยู่วัดๆนานาเค้าอ้างอย่างนี้เลยคน ฟังขอบเขตที่ท่านตัดเอาไว้สัจเจตคือศีลใช่แต่สัจเจตคือ ราวเลยพระพุทธเจ้าจะยศ พอเราเริ่มต้นตัดขอบ เออเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอะไรเนี่ยเอาแต่กั่น ด้วยปัญญาเชิงฉลาดคนเบี้ยว เราไม่รู้เท่าทันจุดนี้ไอ้นี้แหะออกมา แม้ว่าเราจะเคร่งนี่ว่า เรแล้วพรโปรในเค้าก็เป็นการยืดหยุ่นเป็น แล้วเขายกให้เราไหมมีถ้าเขาไม่ยกให้เราเขาไม่ยอมให้เราเราหรือไม่เขายกให้เราหน่อยนึงก็พูดได้หน่อยนึงขนาดนั้น เพราะถ้าประมาณมันต้องมัสัญยุตตาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราเพราะ ถั่วกันก็ไปหน่อยช่วยกันก็ไปหน่อยก็โอ้โหแรง นี่เป็นหลักธรรมดาเลยของธรรมชาติทั้งหลายแลในโลกแรงไปก็ อัจฉริยะนี้ก็กลับมาถึงสติอ่าเมื่อ ในหมวดกลางที่มีสมดุลอินทรียสติสัมปชัญญะและกระทําในใจ เราวัยอยู่แล้วก็ต้องเผื่อเห็นใจคนอื่นบ้างเร 3 ตุจริต 3 เป็นอาหารของนิพพาน 5 นิพพาน 5 เป็นอาหารของอวิชชานะหมู่ นะ 3 หมู่สุดท้ายไม่ศรัทธาไม่ 3 บอก มันถ้าเราไม่ได้ฟังไม่ได้คบสัตตบุรุษไปคบเอาอ่าอสัตตบุรุษไปคบ โจรไม่โง่นะไม่อ่อนนะจะด้างนะโจรไม่ แต่โง่ฟังให้ดีนะฉลาดๆฉลาดนะฉลาด สาบดีซึ่งเป็นผู้ได้ครบคันเข้าคล่องว่องได้คือสํวรอินทรีย์ 6 อันนี้ก็อธิบายๆแล้วนะหมวดต้นอวิชชานิพพาน เป็นหมวดกลางเป็นหมวดปฏิกิริยาเป็นหมวดปฏิบัตินะเป็นหมวดเป นั่นนี่ว่าเรารับได้หมดแล้วไม่แน่นะเมื่อกี้คุณก็ว่าคุณตักได้หมด อาก็ตัดผ่านเรื่องเหตุก็คือครบสัตบุรุษฟังสัทธธรรม เราไม่เข้า